สิกขาบทวิพัง426คำว่าก็ภิกษุเป็นคนว่ายากความว่าเป็นผู้ว่ายากประกอบด้วยธรรมที่ทำให้คนว่ายากไม่อดทนรับคำสอนโดยเคารพคำว่าในสิกขาบทที่มาในอุทเทศได้แก่ในสิกขาบทที่มาในพระปาติโมก ค, คำว่าภิกษุทั้งหลายได้แก่ภิกษุเหล่าอื่นชื่อว่าโดยชอบธรรมคือ สิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้วนั่นชื่อว่าโดยชอบธรรมภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนอยู่โดยสิกขาบทชอบธรรมนั้นกลับทําตัวให้เป็นคนที่ว่ากล่าวตักเตือนไม่ได้โดยกล่าวว่าพวกท่านอย่ากล่าวอะไรผมไม่ว่าดีหรือเลวถึงผมก็ไม่ว่ากล่าวอะไรพวกท่านไม่ว่าดีหรือเลว พวกท่านจงเว้นว่ากล่าวผมเถิดคำว่าภิกษุนั้นได้แก่ภิกษุผู้ว่ายากนั้นคำว่าอันภิกษุทั้งหลายได้แก่อันภิกษุทั้งหลายเราอื่นอธิบายว่าภิกษุผู้ได้เห็นผู้ได้ยินพึงว่ากล่าวตักเตือนภิกษุเป็นคนว่ายากนั้นว่าท่านอย่ า, ท ำ, นน ท, า, า, าทำตัวให้เป็นคนที่ว่ากล่าวตักเตือนไม่ได้จงทาตัวให้เป็นคนที่ว่ากล่าวตักเตือนได้แม้ท่าน จงว่ากล่าวตักเตือนภิกษุทั้งหลายโดยชอบธรรมแม้ภิกษุทั้งหลายก็จะว่ากล่าวตักเตือนท่านโดยชอบธรรมเพราะว่าบริษัทของพระผู้มีพระภาคเจริญแล้วด้วยอาการอย่างนี้คือด้วยการว่ากล่าวตักเตือนกันและกันด้วยการช่วยเหลือกันและกันให้ออกจากอาบัตควรว่ากล่าวตักเตือนเธอแม้ครั้งที่สองควรว่ากล่าวตักเตือนเธอแม้ครั้งที่สาม ถ้าเธอสละได้นั่นเป็นการดีถ้าเธอไม่สละต้องอบัตทุกกฎพิกษุทั้งหลายได้ยินแล้วไม่ว่ากล่าวตักเตือนต้องอบัตทุกกฎพิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงคุมตัวมาสู่ท่ามกลางสงฆ์ว่ากล่าวตักเตือนว่าท่านอย่าทําตัวให้เป็นคนที่ว่ากล่าวตักเตือนไม่ได้จงทําตัวให้เป็นคนที่เขาว่ากล่าวตักเตือนได้แม้ท่านจงว่ากล่าวตักเตือนภิกษุทั้งหลายโดยชอบทำ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 พิธีสวดสมรรถภาพและกรรมวาจาสวดสมรรถภาพภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมรรถภาพภิกษุนั้นอย่างนี้คือภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงฆ์ทราบว่า427ท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้อันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนโดยชอบธรรมกลับทําตัวให้เป็นคนที่ว่ากล่าวตักเตือนไม่ได้ภิกษุนั้นไม่ยอมสละเรื่องนั้น ถ้าสงพร้อมกันแล้วทึงสวดสมรูปพาสภิกษุชื่อนี้เพื่อให้สละเรื่องนั้นนี่เป็นบัญญัติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพระเจ้าภิกษุชื่อนี้อันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนโดยชอบธรรมกลับทําตัวให้เป็นคนที่ว่ากล่าวตักเตือนไม่ได้ภิกษุนั้นไม่ยอมสละเรื่องนั้นทรงสวดสมรูปพาสภิกษุชื่อนี้เพื่อให้สละเรื่องนั้นถ้ารูปใดเห็นด้วยกับการสวดสมรูปพาสภิกษุชื่อนี้เพื่อให้สละเรื่องนั้น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 กับการสวดสมรภาสภิกษุชื่อนี้เพื่อให้สละเรื่องนั้นทารูปนั้นพึงนิ่งทารูปใดไม่เห็นด้วยทารูปนั้นพึงทักท้วงภิกษุชื่อนี้สงสวดสมรภาสเพื่อให้สละเรื่องนั้นสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้428จบบัญญัติต้องอบัตทุกกฎจบกรรมวาจาสองครั้งต้องอบัตทุลใจ จบกรร ม, มาวาจาครั้งสุดท้ายต้องอบัตสังฆาธิเศธเมื่อเธอต้องอบัตสังฆาธิเศษอบัตทุกกฎในวงเล็บที่ต้องเพราะญปติอบัตทุลใจวงเล็บที่ต้องเพราะกรรมมัวว aja สองครั้งย่อมระ ง, งับไปคําว่าเป็นสังฆาทิเศษความว่าสําหรับอาบัตนั้นสงเท่านั้นให้ปริวัดเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกว่าเป็นสังฆาธิเศษ